อัลลอฮฺมูซัลลิอะลัยมุฮัมมัด السلام ุ ל ัย კ ุมวะราะห์มัตุลล๊ะุวะบร๊ะกัตุวันนี้เป็นนิชาเป็นเรื่องตัปซีตอันกราอานในสุรฮูดได้ชิดแล้วนะในหัวข้อเรื่องสันดานของมนุษย์ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أخرنا عنهم ا ل ع ذ ا ب إلى أمة معدودة يقول إنما يحبسه َ ل ا يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة رحمة ثم نذعنها منه إن له ل ي أ و س كفؤ ولئن أذقناه نعما بعد ضرر مسده لا يقول أن هذا م س ّ ي ا ت عني إنه لفرح فقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ขเลยค่ะ لهم مغفرة وأجر ك บ ي ر เราได้รับบทเรียนจากบทเรียนที่แล้วนะครับได้รับบทเรียนว่าอาลัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่ปกปิดแล้วก็เปิดเผยแสดงว่าอาลัลลอฮ์รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่จะปกปิดการรับรู้ของอลัลลอฮ์สุตลตจะทำอะไรตรงไหนจะอย่างไรอลัลลอ์รู้อลัลลอ์เห็นทั้งหมดก็เป็นจุดสอนให้มนุษย์ได้คิดว่าเราไม่สามารถจะเลี่ยงต่อการรับรู้ของอลัลลอฮ์ได้เลยหรือการเห็นของอลัลลอฮ์ได้เลยสำหรับมนุษย์เราปกปิดตัวเองก็ไม่รู้แล้วเพียงแต่ยืนติดกันแต่ใจคิดคนอะอย่างก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่อลัลลอฮ์รู้ นั่นคือความจะบทเรียนที่แล้วข้อสองอัลลอ์สร้างฟ้าและแผ่นดินใช้เวลาหกวันอัลลอฮ์มีอำนาจขนาดนั้นทำไมต้องใช้เวลาถึงหกวั น, นบบก็เป็นการบ่งบอกเป็นนัยยะให้เราได้รับรู้ว่าอัลลอ์นะ่ะได้ทั้งหมดแหละอิดะอรอฮ์ใช้อันอายกกลและฮูกูไฟยกูลเวลาเราประสงค์สิ่งใดจะให้เกิดขึ้นมาอัลลอ์ก็จะบกวกุ่นจงเป็นไฟากุสิ่งลนั้นก็เป็น เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นบทเรียนสอนใจที่บรรดาอุลามะประมวลไว้ก็คือว่าเรื่องใดก็ตามที่เราจะสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาพินิษ์พิจารณาตรึกตองนะอย่าด่วนสรุปอย่าใจเร็วแล้วก็สรุปโดยขาดข้อมูลนเนี่ยสาระพันล้อไม่อยู่ในเกณฑ์ของเราแต่เป็นการสอนเราต้องคิดก่อนจะทำดีหรือไม่ทำดีเหมาะหรือไม่เหมาะ ต้องหาเหตุผลแล้วก็ข้อมูลประการที่สามก็คือว่าบรลลังขอร์ลล์ อ, อยู่เหนือน้ำแต่นักสิอธิบายว่าอัลมาอัลลาแต่น้ำนั้นอยู่เหนืออากาศอันนี้เราไม่รู้เป็นของเก็บแสดงว่าทั้งสองคือแสดงว่าอะไรนะทั้งสองถูกสร้างมาก่อนฟ้าและแผ่นดิน ความรู้ที่ได้รับมาอีกข้อหนึงคือตายแล้วฟื้นด้วยอํานาจของ Allah, อัลลอฮฺแต่กาเฟสไม่เชื่อะมุมลินเชื่อแต่กาเฟสว่าตายแล้วดับสูญเพราะฉะนั้นวิถีอของกาเฟสก็คือหาทางบรรลุธรรมที่หลุดจากโลกก็วถวเสียก็ดับสูญอยู่ไปอยู่ไปจนไม่มีอะไรที่จริงมันมีแต่ว่าความไม่ใส่ใจจนกระทั่งว่าตัดทิ้งไปเลยเนี่ยก็ถือว่าบรรลุธรรมแล้วของเราไม่ใช่ ตายไปแล้วฟื้นอ๋อแล้วก็ตอบแทนความดีให mm. ้มัน <later> ก <kiss. S 2> ็เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ว่าความมายาแมนมิสโกและแรดรอตินเคยรอยยารอทำความดีนิดนึงอ๋อแล้วก็ให้เห็นและล้วก็ตอบแทนความมายาแมนมิสโกและัรดรอตินชัรอยยารอใครทําความชั่วนิดนึงอัลแล้วก็ให้เห็นแล้วก็ลงโทษนอกจากว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดนยาเรารู้ว่าทําความชั่วแล้วก็เอาบาตร์ตนต่อรอ แล้วก็อิสติฟฟาต่ออัลลอฮ์แต่ต้องเตาบ้าอย่าเป็นแบบกาซาบีนนะเตาบ้าแบบโกหกคือไม่จริงเดี๋ยวว่ากลับไปทำอีกอย่าอิสติฟฟาแบบกาซาบีนคือขอให้เรายกโทษแบบโกหกขอแล้วเดี๋ยว ก, กลับไปฝ่าฝืนอีกก็จริงกับอัลลอฮ์น่าจะเป็นแบบว่าความผิดครั้งแรกคือความผิดครั้งสุดท้ายพอนี่เราก็ต้องต้องเตรียมใจไว้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่า นะดูชฎ้นะ ว, ว, ว่าอินอักขรน่อันหุมุลอาดาบะว่าอินอักขรน่อันหุมุลอาดาบะวาเนี่ยเป็นวาที่เราวอกเป็นการก่ำร้ำก็ได้สาบานก็ได้และวาตัวนี้เป็นคิ ด, ดว่าชัตติยะเป็นเงื่อนไขก็ได้คือขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์อัลล์ก็สาบานนะ บางที่อัลลอฮฺสาบานด้วยวันอัล ส, ส, ส, สาบานด้วยเวลาอัซซัตทำไมล่ะเมื่ออัลลอฮฺสร้างสิ่งเหล่านั้นมาแล้วอัลลอฮฺเอาสิ่งเหล่านั้นมาสาบานไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างอัลลอฮฺจะหยิบตรงไหนก็ได้วัดดุฮาวัดัมสิวัดดูฮาวัดตีนีวัดไซตูนเป็นวากรซัมสาบานเพื่อเน้นเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสําคัญนะของเราเนี่ยถ้าสาบานก็ต้องวัลลอฮี บิลละฮีหรือตัลลอฮีด้วยคำสามคํานี้วันลอฮีขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์บิลละฮีขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ตัลลอฮีขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์เราจะสาบานด้วยด้วยสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้ขอสาบานด้วยเกียรติยศไม่ใช่สาบานด้วยความมั่งคั่งสาบานด้วยตําแหน่งสาบานด้วยสถานภาพที่เราเป็นอยู่ไม่ใช่ทั้งหมดของเราต้องวันลอฮี สาบานด้วยนามของอัลลอฮ์กลับไปสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราสิ่งอื่นอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับเราเราไม่ได้ให้สิ่งเหล่านั้นมาคุ้มครองเราเราก็รับใช้เราก็เก็บประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นที่อัลลอฮ์สร้างสร้างต้นไม้มาก็วัลที่คอร์ะคา ล, ละกุมมาฟิรัดดีจามีอาอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดนั้นละกุม้ม เพื่อประโยชน์สําหรับพวกท่านให้รับเก็บประโยชน์จากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์นี่คืออะกีดะความเชื่อของมุสลิมงั้นมุสลิมจึงไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องไปพึ่งพาหรืออาศัยอิงอยู่กับมันไม่ใช่แอย่างที่รู้แหละจะเป็นตะกุดจะเป็นอะไรต่ออะไรไม่ใช่อัลกิมตอุลามะมีข้อมีความเห็นต่างฝ่ายหนึ่งบอกได้ฝ่ายหนึ่งว่าไม่ได้ เพราะเพราะไรเพราะผลสุดท้าเพอไม่เป็นอะไรปุ๊บก็จะคิดว่ากแมถ้าไม่มีอธิมัตฉันแย่เลยและล้อไปไหนงั้นเราเราเป็นกรรมสิทธิ์ของล้อนะเราต้องอินกับคำสั่งของล้อตลอดเวลาวลาอินอัครนาล้อบอกถ้าหากเรายืดเวลาการลงโทษอัคนาอัลฮุมุลอาดาบะ ถ้าหากเราได้ยืดเวลาการลงโทษพวกเขาออกไปอิลาอุมมาตินมะดูดาตินอีกระยะเวลาหนึ่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แน่นอนแล้วเนี่ยอัลลอ์บอกเนี่ยพูดกับใครพูดกับกุฟาตมูชรีกีนนะวาไลอินก็วันละหิขขสาบานด้วยนามของอลัลลอ์วัไลอิน เป็นกษัตเป็นสาบานนะถ้าเป็นชัตติยะเป็นเงื่อนไขคือว่าถ้าหากฉันได้เลือกยืดเวลาของการลงโทษพวกเขาออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งที่ได้กําหนดไว้แล้วระยะเวลาหนึ่งคำว่าอุมมะเนี่ยมันมีความหมายว่าอายันคือกําหนดเวลาเรฮีนช่วงระยะเวลาหนึ่ง กอุการอธิบายความหมายฮีนเนี่ยบาทีสิบสิบสี่สิบปีพัตตาฮินสี่สิบปีนะร้อยปีอะไรก็แล้วแต่นะงั้นระยะเวลาอีกไประยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้อาจจะเป็นอะไรช่วงเวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือเป็นเดือนหรือเป็นปีถ้าอัลลอฮได้ ยืดเวลาออกไปแล้วเนี่ยลายกูลุ่นน่ะแน่นอนพวกเขาใครล่ะพวกกุฟารตมุชริกินคนที่ไม่ศรัทธาต่อหรอเขาก็จะพูดว่าเขาจะพูดว่าจะกล่าวว่ามายะบิซูฮูอะไรที่จะยับยั้งมันไว้เป็นการเย้ยหยันอละลรแบกถ้าเราจะยืดเวลาไปแล้วเนี่ยถึงกำหนดเวลาหนึ่งแล้วเนี่ย อัลลอฮ์ก็บอกกาเฟนมันก็จะบอกว่าเอ้ยอะไรมันจะอะไรมันยัง้งยับยั้งเวลาไว้ได้เวลามันมีไปก็เว้นไปไม่มีอะไรจะยับยั้งไว้ได้หรอกมันพูดไปเป็นการเยื่หยันนะเยื่หยันคําพูดของอัลลอฮ์สุบฮะฮาร า, าซึ่งมีความหมายว่ามายักษีบูฮูคืออะไรกาเฟนจะพูดว่าไอยูชัยอินอะไรครับฮัสซุอาดับฮัสบุลอาดับมันจะมีช่วงเวลาไหนที่จะอะไรที่มันจะอะไร มายับยั้งการลงโทษไว้ได้ไม่มีหรอกนันก็พูดในทางเราเย้ยหยันอลัลลอฮ์สุมาตาลาแอนไม่ศรัทธาแล้วยังเย้ยหยันงานโอกาสของคนเหล่านี้ก็จะเสด็จต่ออัลลอฮ์โดยตลอดไม่อิมานต่ออัลลอฮ์ตลอดอลัลลอฮ์เสียอำนาจไม่จากการที่คนไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เสียอำนาจแต่คนผู้นั้นต่างหากที่จะพบจุดจบที่เป็นการทรมานั้นสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกทั้งหมด เราปฏิบัติตามเราจะเท่าทันโลกเราจะไม่ถูกโลกหลอกเราจะไม่มีชีวิตที่ปั่นป่วนตามกระแสเพราะระบบอัลลอฮ์ที่วางมานั้นชัดเจนอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์วางระบบอัลลอฮ์รู้สิ่งที่จะเป็นไปอัลลอฮ์รู้ถึงบรรปลายอัลลอฮ์รู้ถึงภิกภัยต่างๆก็ออกระบบมาออกกฎเกณฑ์มาให้เราออกกฎเกณฑ์มาให้เรางั้นทำตามอ Al ัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลแลปลอดภยัย ถ้าเอาแผนมนุษย์นะถ้าเอาแผนมนุษย์เราก็จะต้องถูกหลอกหลายเรื่องหลายราวที่ที่เราถูกหลอกเพราะแผนมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเราเอาแผนของอัลลอฮ์เราไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนนั้นอ่านคุรานก็รู้ว่าคุรานสอนอะไรแล้วเก็บมุมมองและประเด็นต่างๆเหล่านั้นเอามาดูแลชีวิตตัวเองนั้นเราจะยืดเวลาไปกาเฟก็บอกว่าเฮ้ จะเป็นอะไรมันจะเป็นไปได้หรือจะยับยั้งได้ยังไงนะเพราะวันเวลามันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่แล้วที่กาเฟสจะย่อเยอ้ยแล้วมันก็จะย่อเย้ยว่าอะไรจะมาปิดกั้นอัศวการลงโทษมันมีใครเราจะมากันได้แต่สําหรับพุทธทาตออเลาะเมื่ออลเลาะจะลงโทษใครไม่มีใครสามารถปิดกันกดดก้นการลงโทษได้ปิดกั้นการลงโทษได้นั้นมุสสินพุทธทาตออเลาะ จึงมีความผูกพันกับ Allah, อัลลอฮ์ในถ้อยคําที่บอกว่าอินนาลินละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไว้อินนาอิไลฮิรอจีอูนและเราจะต้องรอจิอูน่อิไลฮิต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เราเป็นเป็นผู้ที่จะต้องกลับคืนไปสู่พระองค์เพราะเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แล้วก็กลับคืนไปสู่พระองค์เราไม่ได้กลับคืนไปสู่ใครจะไปเชื่อคนนั้นทําไมเมื่อเราไม่ได้กลับคืนไปสู่เขา ไม่ได้กลับคืนไปสู่ยะฮูดไม่ได้กลับขึนไปสู่นสซรอไม่ได้กลับขึ้นไปสู่มายูซีพวกบูชาไฟไม่ได้กลับขืนไปสู่พวกอะไรนะบูชาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราไม่ได้กลับคืนไปสู่สิ่งเหล่านั้นเราจะไปศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นทําไมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺบอกนะเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺนะนึกตรงนี้ราคาชีวิตของเราคือต้องนึกว่าเรานั้นลินแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคนอื่นแต่กรรมสิทธิ์ของล้อเนี่ยอย่าอย่าไปถือตลอดต้องดูวาระด้วย เ, เราเป็นภรยาก็เป็นกรรมสิทธิ์ของสามีเป็นกรรมสิทธิ์ของล้อแหละแต่หน้าที่ณเวลานั้นเป็นภรยาของสามี้ไม่เชื่อว้าตรงนะดึงดันไม่ใช่มันมีระเบียบปฏิบัติอยู่การตออาดของครอบครัวการตออาดเชื่อฟังระหว่างพ่อกับแม่ระหว่างลูกกับพรอครัวมันมีระเบียบปฏิบัติอยู่งั้นเราเป็นกรรมสิทธิ์ของล้อระบบถูกวางไว้ทั้งหมด ทุกเรื Doo ่องจะเรื่องอะไรวางหมดนะวางไว้หมดอัลลอฮฺยามัตัยะติฮิมอลลยามัยะติฮิมไลสมัสลูฟันอันฮุวะฮะกบิฮิมมักานุบิฮียะสตัดิอุนอลาเนี่ยเป็นในเวลาขึ้นว่าอลาเนี่ย มันเป็นการบองบอกถึงการเตือนอาลิตามบีไปเจอว่าอ拉阿拉阿拉ลิตมบเจอประโยคนี้ให้เข้าใจว่านี่เป็นคำเตือนของอัลลอ์สุวาตาลาที่เป็นการตอกยำ้ำศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอ์ว่าเราจะต้องพึงระวังอะไรบ้างนะคุรานจะบอกประเด็นอยู่เสมอในทุกเรื่องเวลาเราอ่านอันกุรานไปเจออายะที่เกี่ยวกับนรกอันนาดอันาดยุด แล้วขออุอาวอนต่อลรองให้พ้นจากนรกอย่าหันนำให้พ้นจากนรกเวลาอ่านต่อไปไปเจอจันนะยันนะไปวัดสวนสวรรค์เราก็หยุดขออ้อนวอนต่อเราว่าให้เราได้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิลดาเส์นรกให้พ้นจากนรกอย่าหันนำสวรรค์ก็ให้แต่สวรรค์ชั้นฟิลด์เดลส์นี่คุรานมันจะมีไยนยะเตือนอยู่ตลอดเวลาฉั้นพี่น้องเวลาอ่านคุรานผมเคยบอกกับพี่น้องว่า บาทีกูอ่านพูดถึงเรื่องละหมาดอีกอาย่างหนึ่งพูดถึงสงครามอ่าก็พูดเรื่องสงครามอีกอายะางหนึ่งพูดถึงเรื่องการค้าอ่าไปอีกอาย่างหนึ่งพูดถึงเรื่องเรื่องครอบครัวตอนแรกเนผมก็คิดว่าเอตอนเรียนทัพสีจากอาจารย์ผมก็คิดว่าทําไมเราไม่พูดเป็นเรื่องๆประมวลเป็นเรื่องไปครอบครัวพูดให้จบหมดเรื่องละไอเรื่องสงครามแบพูดนา้จบ หมดเรื่องเรื่องการค้ากับพูดให้จบที่ละเรื่องที่ละเรื่องแต่ว่าได้รับคําอธิบายจากอาจารย์แล้วเป็นความจริงว่าอาลัลลอฮฺจะพูดหลายๆเรื่องในวาระที่ใกล้เคียงกันเพราะอะไรเพราะมนุษย์จะต้องประสบกับสิ่งหลายอย่างหลายประการในช่วงชีวิตที่เรามีอยู่วันนี้เจอแบบนี้อ้าวันนี้วันนี้ละหมาดดีพอตอนบ่ายไปไปตลาดไปซื้อของไปเจอแม่ค้าโกงแต่ช่าง เนี่ยอเลาะบอกนะแล้วมาตอนเช้าแต่ตอนสายไปตลาดไปเจอไหมค้าโกงแต่ช่างปลอมปนสินค้าอันนี้อเลาะเตือนเราแล้วว่าจะซื้อเนะี่ยเราต้องอะไรเราต้องมีความละเอียดพอที่เราจะต้องซื้อสินค้าที่เราต้องการที่เราตั้งใจงั้นบางคนเข้าไปตลาดเขาจะถามว่าเลือกได้ไหมถ้าเลือกได้เขาซื้อถ้าเลือกไม่ได้เขาไม่ซื้อไปซื้อเงาะดูมันแต่งสวยดีพอไปซื้อจริงมันอาเงาะที่อยู่ด้านหน้ามัน นัา่งมากไม่นั่งมากกยัดสายไปายได้เป็นกิโลสองกิโลนี่อัลลอ์จะบอกให้เราได้พึงระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะช่วงชีวิตไม่ได้เจอความดีตลอดเจอสิ่งที่ไม่ดีอดทนยังไงเจอความอิม่มอัลฮัมดุลิลละแล้วไปเจอความหิวโหวยทํายังไงก็อัลฮัมดุลิลละอีกนะเนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับคำสั่งของอัลลอ์และเราจะผูกพันกับคาสั่งที่เราจะต้อง ดูอาต่ออัลลอ์ตลอดเวลาดูอาแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยนะเราเราเราศรัทธาด้วยอามานูศรัทธาหวามิรุซอยเลฮัดแล้วปฏิบัติภารกิจตามที่เราศรัทธาด้วยไม่จะเชื่ออย่างเดียวแล้วไม่ทำฮนะมันมันจะดีหรือจะบ้าเพราะเรารู้ว่าเรากินข้าวแต่เราไม่หุงข้าวอะนั่งรอข้าวสารในหม้อในถังมันจะสุมันเป็นไป ไ, ไม่ได้ แล้วก็ต้องหุงข้าวด้วยความเน็ดเหนื่อยจากการที่เราหุงอาหารตรงนี้อัลลอฮ์ให้ผลละบุญอัลลอฮ์ให้ผลละบุญเพราะอะไรเราหุงแล้วเรากินแล้วก็ตั้งใจที่จะให้เรามีความเข้มแข็งที่จะทําอิบาร์ด้าต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ให้ลูกเรากินลูกจะได้เติบโตเพื่อเราเขาจะได้ไดอิบาร์ด้าต่ออัลลอฮ์ดีอยู่กันอิสลามให้เมียได้กินก็เพื่ออะไรเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบเราเนียดเข้าศาสนาทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบที่ได้ได้รับผลและบุญทั้งหมดนะนั้นเราต้องรานนะลินแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอ์อะไรเยก็เชื่อมโยงกับคำสั่งของอัลล์และท้ายสุดเรากลับไปหาใครรอชิอูในอีไลที่กลับไปหาอัลลอ์ไม่ได้ไปหาคนอื่นเลยงั้นอัลลอ์จะตัดสินอัลลอ์ Allah จะตัดสินเรานะอานาเยุมายะตีฮิมไลสัมัสรูฟันอันหุม เพื่งรู้เถิดว่าอาลาลิตตมบีระวังนะรู้นะเข้าใจนะสํานึกนะเอาได้รู้ว่ายังไงวันซึ่งการลงโทษจะมายังพวกเขาไรสมาศรูฟันอันหุมใจไม่ละเว้นไปจากพวกเขาเลยวันแห่งการลงโทษจะมายังพวกเขามันจะไม่ละเว้นไปจากพวกเขาเลยวะฮากรบีหิมมากาณูบีหี ยาสตาดิอุลและมันจะห้อมล้อมพวกเขาตามที่พวกเขาได้เยาะเย้ยมันนี่คุณอานแปลแบบนี้แต่นี้ไปดูรายละเอียดคืออะไรล่ะเพิ่งรู้ว่าวันที่การลงโทษจะมายังพวกเขามามาหาพวกเขาเนี่ยมันจะไม่ละเว้นไปจากพวกเขาแม้แต่คนหนึ่งคนใดไม่ละเว้นเลยแล้วมันก็จะมาห้อมล้อมพวกเขา นี่ ค, คือคือคือสิ่งที่เราต้องรู้นะบาปมันก็จะมาล่ห้อมล้อมถ้าได้รับการตอบแทนที่ดีก็จะมามาห้อมล้อมเขาเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นผลมาจากมากานูบิฮิยาสตาติอูลตามมันเป็นผลจากสิ่งที่พวกเขาได้เ ย, ยอะเย้ยถากถางนะคิดว่าโม้พ้นไม่เป็นได้หรอกแต่จริงๆแล้วไม่พ้นนะจริงๆแล้วไม่พ้น ว่าเลี้ยงอะดักนั่นอินชาห์มินน้าร่หมัตันซุ่มมะนาจนะฮะมินหูอินนหูลายอูซุงกัฟูร์ว่าเลี้ยงอะดักนั่นอินชหมิน้ารมัตันซุมมะนาฮมิหอนหลยอูซงกฟูและถ้าเราได้ให้มนุษย์ลิ้มลดความเมตาจากเราแล้วนะ แล้วเราก็ได้ดึงมันกลับมาจากพวกเขาแท้จริงเขานั้นเป็นผู้หมดหวังและสิ้นศรัทธานี่เราบอกไงนะว่ลอินอารักนาวาวเนี่ยว่ากาสามัมแปลว่าสาบานหรือเราหรือวาวเนี่คิดแชา ต, ติยา ม, มันเป็นเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขว่ามนุษย์เนี่ยถ้าได้ลิ้มความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยคือได้่ะ มนุษย์ที่จะได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยจะต้องมีเขรียกมันฮัดมัฮัดคือแนวทางที่อัลลอฮ์ให้และเราปฏิบัติเราจะได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์แม้แต่เราปฏิบัติตามแนวทางที่อัลลอฮ์ได้บอกเราที่เป็นหนทางที่ถูกต้องบางครั้งเราก็ได้รับความทดสอบจากให้รับกับความยากลําบากเราก็ต้องสอบัตรตรงนั้นนะเราก็ต้องอดทนตรงนั้นทําดีแล้วเนี่ยสมมุติเราบริจาคกระเบิจาทำนี่แล้วเพื่ออัลลอฮ์ซาตาราแล้วเนี่ย ทำไมเราต้องเจ็บป่วยเกิดแล้วเจ็บป่วยแล้วก็อดทนต่อความเจ็บป่วยที่เราได้รับเราก็ได้รับผลเรื่อบุญเป็นการตอบแทนงั้นชีวิตของเรามีสองสิหนึ่งสุขก็ต่ออัลลอฮ์สุก็ต่ออัลลอฮ์คือรใช้เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้มาไปในทางของอัลลอฮ์เรียกว่าสุขก็ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ตาใช้ในทางของอัลลอฮ์ใช้อย่างไงอัลลอฮ์ให้หูใช้ในทางของอัลลอฮ์ใช้แบบไหนอัลลอฮ์ให้ปากใช้ในทางของอัลลอฮ์แบบไหน อลัลลอฮ์ให้มือให้เท้าให้หัวใจให้สัดส่วนของร่างกายทุกส่วนใช้ในทางของอลัลลอฮ์แบบไหนอันนี้คือคําถามที่เราต้องตอบตัวเองด้วยคําสั่งที่อลัลลอฮ์และอัลลอฮ์ลบอกว่าใช้ปากแบบไหนอาปากใช้แบบไหนปากมีไว้อะไรเอากินข้าวเราจะกินเราจะอ้าปากกินก็ต้องต้องอะไปากต้องว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์ คำว่าบิสมิลลาเป็นตัวควบคุมว่าอาหารที่เราจะกินต้องเป็นอาหารที่ฮาลาลของฮารอมบิสมิลลาไม่ได้นี่เริ่มต้นเตือนใจจากถ้อยคำที่เรากล่าวที่นบีสอนนี่ใช้ไปในทางชุกข้อต่อร้องอย่าใช้ในทางที่ทรยศต่อตร้องซาตลาอ้าจะพูดถึงเรื่องใครถ้าพูดถึงเรื่องที่ดีอ่ะพูด เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างตัวอย่างให้คนอื่นได้รับรู้ถ้าพูดในเรื่องที่ไม่ดีหยุดพูดก่อนพอเราพูดไปนิดนึงเดี๋ยวเติมพอน้ำลายมันแตก น, ะน้ำลายแตกน้ำลายเราด้วยน้าลายส่ตานปนกันด้วยเอาไปกันใหญ่เลยนี่คิดให้ดีนะไอ้ว่าทุกส่วนมีบุญแล้วก็มีบาปที่อรรถจะให้ผมเคยบอกนะเวลาไฟดับเฮนั่งๆ่งแล้วไฟติดเฮ ไม่ได้ไรเลยถ้าไฟดับเออห้ามดูริน ล, ละะแล้วนั่งๆไฟติดเออห้ามดูรินละเป็นความเมตตาของเราได้แล้วของเรามันมันได้มูลบนดเลยจะทำอะไรได้มูลบมดงั้นเอามือมือจะทาอะไรถ้าเป็นของี่ฮารานเอามือนั้นหยิบทำได้ถ้าของฮารอมอย่าไปยุ่งอ่ะมือเราเก็บพยะอันนี้นาบีสั่งว่า ขยะที่จะวางขวางเส้นทางที่มันวางอยู่มันเกินเส้นทางเราคิดว่าคนผ่านมาจะได้รับอันตรายแล้วก็หยิบขยะทิ้งแต่หยิบด้วยไรมือซ้ายเพราะนาบีสั่งทิ้งถังขยะไปอันนั้นเราได้บุญมาต้องลงทุนด้วยแล้วก็หลายคนโอ้ยเสียเกียรติต้องไปหยิบขยะทิ้งถังเรามีเกียรตินะอลัลลอฮฺสุลตัลลาแต่มนุษยนะ์ประเมินแบบวาเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ ยิบขยะทิ้งถังเป็นคนค น, คนยิบขยะต้องเป็นคนระดับพันโรงต้องนักการไม่ใช่หน้าที่เขามีอยู่แต่ถ้าเขาบกพร่องหรือเด็กมันทิ้งเราเจอโอกาสของเราที่จะได้รับผลบุญแล้วก็เอามือหยิบใส่ถังซะแล้วก็จะเป็นตัวอย่างแกเด็กได้เห็นด้วยครูยังหยิบขยะใส่ถังแล้วเราล่ะนี่ก็พยายามบอกพยายามทำปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้เห็นแล้วก็บอกด้วยถ้อยคําของเรางั้นอิสลามมันจะขับเคลื่อนไปด้วยนะครับ ระบบของชีวิตที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท้าจะเดินไปทางไหนใส่รองเท้าข้างไหนก่อนเวลาสายสายข้างไหนก่อนเอาบุญนส่ยใส่ข้างไหนก่อนไม่ได้ใส่ตามใจนะถ้าจะเอาบุญใส่ขวาก่อนเวลาทอบถอนทางซ้ายก่อนเออเอฉันจะถอนข้างขวาก่อนล่ะก็ก็กตามอารมณ์แกแต่ว่าจะได้ผละบุญไหมไม่ได้นี่นี่คือระบบที่ระวางไว้ ผมเคยคุยกับแท็กซี่บนรถเมย์บนแท็กซี่แหมคุยกับแท็กซี่บนรถเม์ไวเลยนี่พลาดไปครั้งที่แล้วเนะ่ยเรื่องนบีฮูดตอนท้ายไปลงเรื่องนบีนัวเฮ้ยกลับไปบ้านโอ้โหขัวคารดเท้ไปแล้วเนะี่ยพูดถึงเรื่องนบีนบีนบีนัวนาท่ ว, วโลกมีใครเหลือใครตายพอไปลงท้ายลงนบีอิบรอฮิมดูสิ ดูสิมันเป็นไปนะดูสิมันเป็นไปนี่นี่คือสิ่งที่ว่างั้นอวัยวะทุกส่วนมีอิสลามหมดใช่ถูกแล้วเราสร้างมาส่วนไหนไม่ต้องไปเปลี่ยนเราหน้าแบบนี้จมูกแบนๆมันเหมาะสมแล้วมันสะโลมันมันมันเหมาะสมแล้วไปทำจมูกดงแล้วหน้าหน้าใหญ่จมูกดงมันโอ้ไม่ใช่ไม่เข้า แค่นี้พอแล้วทำดุ ล, ลินแล้วลลองเมตตาแล้วนี่ถ้าร้องสร้างรู้จมูกมาอย่างเดียวอลไรไปหาสันจมูกใส่เองอ่ะลงทุนเท่าไหร่ต้องเก็บตั้งใส่สันจมูกต้องเก็บตั้งใส่ใบหูโอ้เปลืองตั้งหน้าดูเลยเนี่อ่ะร้องให้มัหมดเลยนะอ่ลร้องให้มาหมดเลยแล้วบอกหูด้วยนบีก็บอกอ่ะร้องก็บอกหูที่จะฟังเนาะเลือกฟังด้วย ไม่ใช่รักษาหูให้สะอาดเอาขี้หูออกไม่มีคี้คายขอบหูไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวเลือกที่จะฟังด้วยปากก็เลือกที่จะพูดด้วยฟังอยกุ้นค่คอยร้อนอาริยัสมุตพูดสิ่งที่ดีหรือไม่ก็อย่าพูดฟังก็เหมือนกันฟังสิ่งที่ดีหรือไม่ก็ไม่ต้องฟังนะหรือไม่ก็ไม่ต้องฟังหรือถ้าฟังก็เก็บข้อมูลไปเพื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้อยู่ที่เนียรเรา อ่ะเป็นพยายนหมดเป็นพยายนหมดเลยนะมีอะไรละ่ะมือเป็นพยายนมือพูดเท้าเป็นพยายนบัญชีี่เป็นพยายนแผ่นดินเป็นพยายนไมลกัสเป็นพยายนจบเลยนะเนี่ยเลี่ยงไม่ได้แล้วงั้นกลัวกลัวลงบาปม น, นุษย์ก็อย่าทําความผิดทํำตามที่ลเราสั่งอเราทำดินแล้ว เดือนนี้เดือนอมาดอนเป็นเดือนข้อ่านคุรานที่อุรานถูกประทานลงมาอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆไม่รู้ความหมายก็มีเวลาทวนต้องต้องทุ่มใจกับอ่านกุรานเยอะๆเพราะคุรานเป็นฟุตกรแยกระหว่างความจริงกับความเท็จถ้าไม่มีคุรานมาถ้ามนุษย์จะมาแยกความจริงกับความเท็จมนุษย์จะมาหมกเม็ดแล้วเราก็หลงตามมันกระแสเหมืนสร้างกระแสแต่เราบอกมาอะไรจริงอะไรเท็จ แล้วคุณอานก็ลงมาในสังคมที่ป่าเถื่อนที่สุดแล้วท้ายสุดกุอณอ่านสามารถแก้ปัญหาของความป่าเถื่อนเหล่านั้นได้แสดงว่าลงมาแก้ปัญหาประสบความสําเร็จแก้ปัญหาได้เลยงั้นกุอณอ่านที่เรียกาฟุรกรฟุรกรแปลว่าแยกใบหน้าทักวันบาตินระหว่างความจริงกับความเท็จงั้นยึดกุอณอ่านความเท็จจะหนีไปเราจะอยู่กับความจรงิงอ่านแล้วก็ศึกษาความหมาย พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรกับเราอย่าเพียงแต่อ่านแล้วได้บุญอย่างเดียวนั่นก็ส่วนดีส่วนหนึ่งระดับหนึ่งหนึ่งอักษรสิความดีก็ได้ไปแต่ถ้าเรียนรู้ความหมายก็จะได้ประเด็นที่จะดูแลชีวิตของเราว่า ก, การใช้ชีวิตตามที่อัลลอฮ์สั่งนั้นมันต้องเป็นแบบไหนน่ะเป็นแบบไหนมนุษย์ทั้งหมดน่ะอินซาร์แปลว่าลืมมนุษย์เระชอบลืม อินทรสารไปลืมเพราะนั้นจะต้องเตือนกันอยู่เสมออินทสารที่จะประสบความสำเร็จต้องเดินตามมันฮัดแนวทางที่อลัลลอฮและรอซูนบอกถึงจะได้ไม่ขาดทุนขาดทุนคำว่าขาดทุนคือนรบบนนกบรรดาทัตตาเียอธิบายว่าลูกหลานของอาดัมทั้งหมดนี่เยอะ ลูกหลานของนบีอาดัมวางหุมกซีรุ่นมีเยอะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเราก็เป็นลูกหลานของนบีอาดัมไม่รู้ว่าเป็นช่วงต่อช่วงไหนแล้วเนี่ยมีเยอะแต่ความมีเยอะของลูกหลานอาดัมเนี่ยกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่มุ่งมินศรัทธาต่อองค์แต่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่กาเฟสไม่ศรัทธาต่อองค์สัตว์ลานั้นก็อยู่ข้าเคลาปะกลกันในสังคมเรามันดีตรงไหนอ่ะ เราได้มีโอกาสปะพนในสังคมระวางมุ่งมินกับกาเฟสมันดีตรงไหนมันดีตรงที่บอกว่าเราจะได้ปรับตัวเราให้เข้มแข็งท่ามกลางกาเฟสที่อยู่รอบตัวเราท่ามกลางคลื่นกระแสที่ไม่ใช่อิสลามอยู่รอบตัวเราเราต้องยืนยัดให้แน่นต่อคําสั่งของเราเราอยู่บ้านคนเดียวนะ่ะอยู่กับบ้านเก็บตัวอยู่กับบ้านนะ่ะมันได้บุญไม่เยอะเหมือนออกสู่สังคมหรอ พอไปอยู่แล้วอย่างนี้เราต้องอดทนไม่ได้นะไอต้ตรงนี้อิสลามนะไอ้นี่ไม่ใช่อิสลามนะเราจะได้แยกแยะได้เราจะรอดเนี่ยเวลาเข้าอยู่สังคมเนะี่ยอิสลามขนาดไหนเราถึงจะรอดเพราะฉนั้นนบีถึงบอกว่าเวลาลูกหลานของเราพอจะโตขึ้นแล้วให้สอนเรื่องฮารานฮารอมว่า น, นี่ฮารานนะลูกนี่นะฮารอมนะลูกให้ลูกได้แยกแยะระหว่างฮารานกับฮารอมคือระวังฮักกับบาติน ความถูกต้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือใครสอนแม่ทําหน้าที่สอนโดยพ่อให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือคิดดูสิแม่บ้างจะได้บุญมากขนาดไหนสอนให้ลูกอะอะไรฮาลานอะไรฮาลอมไม่มีสังคมในสอนคนในสังคมทั่วไปก็ยิบว่าอะไรนะเอาแล้วก็หกอย่างแห้มเนียนดีกว่าซื่อสัตว์แบบ โ, โง่ๆทาให้มันดีให้เนียนกันแล้วกันให้ก็จับไม่ได้ก็แล้วกันท้ายสุดน ความเลวร้ายก็ถูกอะไรถูกเปิดเผยแล้วแต่ว่าอำนาจในช่วงนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ความเลวร้ายของคนที่มีอำนาจในสังคมเป็นไงถูกเปิดเผยด้วยมาตาสี่สิบสี่ถูกเปิดเผ ย, ย, าาเเผยจับนู่นยึดนี่ก่อนก่อนนี่ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้อาธรรมตื่ น, นแล้วนะเราได้เห็นไงเราได้เห็นแต่วันนู้นนะนะ ท่านมุสลิมหรือใค ร, ใครใครทุกคนแหละคนในโลกที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดนทำความผิดแล้วไม่ตบตาตนต่ออัลลอฮ์วันนู้นอัลลอฮ์เอาไปเปิดเผยไอ้เรื่องอ้ายไม่ต้องพูดแต่เรื่องอาซาบที่เราต้องโดนนี่สิมันหนักอนะ่ะมันไม่มีใครช่วยใครได้ยามาอีดินชาอูยุคนีวันนู้นภารากิจของใครก็ของมันงั้นวันนี้ก็ตรวจสอบตัวเองนะแล้วก็ตรวจสอบเองมันใช่หรือไม่ใช่ เรายอมรับว่าเราผิดเรื่องกับตัวเองมันไม่เสียหน้าและไม่ไม่เสียหน้าอีกถ้าอย่าร้องยอมรับว่าเราผิดเพราะคนอื่นเตือนนเรายังคิดว่าเราเสียหน้านะเราต้องอัดท่ำตัวเองแล้วบางที่เรามองตัวเองไม่ออกอะเราคิดว่าผิดเราคิดว่าดีแต่คนอื่นก็เตือนเราว่าเราผิดเราก็ต้องอัดท่ำตัวเองแล้วที่เขาได้ตักเตือนเราคนนู้นได้บุญเราก็ได้เตาบ้าตนต่อหรอเราก็ได้สรรเสริญหรอว่าเราได้ขนทางที่ถูกต้องแล้ว นี่ไงนี่อิสลามมันเดินแบบเนี้มันอยู่กับคนทุกคนอยู่กับมุสลิมทุกคนแล้วมุสลิมทุกคนก็จะเป็นผู้เป็นผู้ศึษาที่อิสลามออกเป็นให้เป็นรูปธรรมให้โลกได้เข้าใจว่าอิสลามเป็นแบบนี้มุสลิมทั้งเกือบสองพันล้านคนน่ถ้าอธิบายอิสลามด้วยกันทั้งหมดโลกจะเข้าใจโลกจะเข้าใจวันนี้คนที่เป็นมุสลิมกินไม่สบายใจที่อิสลามขายายตัวเพิ่มมากขึ้น ในต่างประเทศในยุโรปอะไรก็แล้วแต่กําลังเพิ่มมากขึ้นเลยจํานวนมุสลิมที่เป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นในโลกตัวนี้แหละเขาหวั่นไหวแต่มุสลิมน่ะไม่ได้คิดอะไรเพราะอัลลอฮ์บอญอันกุรอานแล้วว่าสัยญาติโคลูนะฟีดีนเลยอฟวาจาต่อไปซ่าไม่ใช่ระยะเวลาอันไกลนะถ้าซาอุฟาไปว่าไกลต่อไปจะมีคนที่เข้ามารับอิสลามเป็นคลื่นลูกแล้วลูกเล่าเดี๋ยวนี้รับอิสลามกันเยอะ ฝั่งโน้นมาเรียนรู้อิสลามเข้าใจอิสลามรับอิสลามถ้าอัลลอหฺฮิดายะเขารับอิสลามถ้าอัลลอฮฺไม่ฮิดายะให้เขาเขาก็รู้หลักเกณฑ์อิสลามแล้วก็ไม่รับอิสลามมันอยู่อีก จ, จุดหนึ่งตรงฮิดายะนั้นตอนเรียนก็ขอลฮิดายะให้กับเราเขารับอิสลามปุ๊บเขาบริสุทธิ์ต่อจากนั้นก็บาปหรือบุญก็เพิ่มขึ้นเพราะเขารู้แล้วเขาปฏิบัติอย่างไรนั้นมันจะมีข้อปฏิบัติ3อย่างก็คือว่า ถ้าเห็นผู้ใหญ่อย่าได้ดูถูกผู้ใหญ่เพราะคนเหล่านั้นมีประสบการณ์มากกว่าเราที่จะแนะนําอิสลามให้กับเราสองถ้าพบเด็กอย่าดูถูกเด็กเราต้องคิดว่าเด็กนั้นบริสุทธิ์มากกว่าเราเพราะอายุมันน้อยกว่าเรามันทําบาปน้อยกว่าเราก็บริสุทธิ์กว่าเราถ้าพบคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่อเราอย่าดูถูกถ้าวันหนึ่งอัลลอหฺฮิดายาให้กับเขาให้เขารับอิสลามเขาดีกว่าเราในวันนั้นเขาดีกว่าเรา งั้นมุสลิมจึงอยู่ในสังคมแบบไม่ได้อาคติต่อใครไงแต่มองในมุมที่ดีตลอดแต่ก็ต้องระวังตัวว่าไอ้ความดีล่ะนั่นมันจริงหรือหรือแฝงเข้ามาที่เราจะต้องถูกหลอกจากคนนั้นที่ไหมาละแสดงดีเลยอัสลามัวอะไกุ้มดูดีอะไรเล ย, เลยแต่ว่าเป็นโจร น, นนะเป็นผู้ดีในค้าของโจรก็เป็นเดี๋ยวนี้สังคมมันเป็นแบบนี้งั้นต้องระวังนะอย่าเชื่อใครง่าย อ่าสี่แปดมงนโกดปสามสี่หกมันโ ก, กดแล้วเดี๋ยวนี้นะทันแปดร้อยมงนโกดแล้วคนมันเยอะมรสอดมันก็เยอะใช่ไหมงั้นจับอีกสามให้มัน่นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้ดีอย่าอย่าให้อย่าให้ถูกหลอก <c oughs> ถ้าจะไม่ถูกหลอกคือไง <c oughs> มีเงินจะไม่ถูกหลอกบริจาคบริจาคช่วยนู่นช่วยนี่ให้ทางศาสนาช่วยไป ช่วยคนยากคนจนจริงๆช่วยไปเนี่ยไม่ถูกหรอกเพราะเพราะเราบริจาคด้วยความสมัครใจที่เราตัดสินใจเราดูแล้วล ว, ว่าเหมาะสมเราก็เสียสละบริจาคไปอ่าเพราะฉะนั้นนะลูกหลานของอาดัมทั้งหมดนั้นน่ะมีทั้งมุสมิมและกะกาเฟตแล้เลาก็บอกว่าด้วยวันเวลาที่มนุษย์ได้ ใช้อยู่หรือได้ไร น, นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปในระหว่างเวนเวลานั้นมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีมันจะมีความขาดทุนแต่ถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราเราดึงเวลามาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกําไรแก่ชีวิตก็ต้องเรียนเนี่ยต้องเรียนนู่นนีลามทําไมต้องเรียนบางคนบอกว่าฉันเป็นมุสลิมตั้งนานรู้แล้วรู้แล้ว แ, แต่ว่ามนุษย์นั้น อ, อันลลอฮ์อัลลอฮ์มนุษย์นั้นอยู่ในภาวะที่หลงลืมได้เมื่ที่ไปนั่งเรียนมาช่าอัลลอ ลืมไปแล้วนะเนี่ยดีว่าเดีฟังขึ้นมาใหม่มันก็กระตุ้นความรู้สึกของเราว่าจะปฏิบัติข้อปฏิบัติเหล่านั้นนะอย่าว่าอ๋อนะอย่าที่เตือน่แล้วก็เตือนมาชาอัลลอนี่ฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยดีว่านึกได้ที่เขาเพื่อนให้คาแนะนําอย่าอ๋ออ๋อไม่ได้บุญอ๋อไม่ได้บุญเวลาจากกันเกิไม่ต้องบอก g ู o d b า e นะแล้วก่อนแล้วก็บฟีอามานินแล้วขอรับคุ้คมครองคุณนะ ลาก่อนครับบ๊ายบา ย, บายลาก่อนไม่ได้บุญเลยบ๊ายบายแบบฝรัง่งของเราอัสาลามุอะลัยตุมนะบูตบายก็ฟีอามานิลแล้วขออรอเด็คุ้มของอยู่ในการคุ้มของกอ่อนรอนี่นี่คือระบบอิสลามที่ทุกบุคลิกถูกถ่ายทอดมาจากท่านอนับมดุลลอฮฺสุลเลาะห์ละสัล ล, ลัมวาไลอินอัลักมันอินซานะนาอามะบะดะตอร และถ้าเราได้ให้เขาลิ้มรถความโปรดปานหลังจากความทุกข์ยากมัสซัตหุดที่ประสบกับเขาลายกูล um ัณน์รัฮาบัสัยยะตัวอันนี้อินนหูและไฟลุงฟักพูดแน่นอนเขาจะกล่าวว่าความช่วยเลต่างๆได้ผ่านพ้นจากฉันไปแล้วแท้จริงเขานั้นเป็นผู้คึกขนองยักิงยัโสดเราบอกเวลาอินอะรักนันอินซาน เมื่อเราคืออนะัลลอฮ์อัลลอฮ์น่ยทำไมเนะ่ยเราไปว่าอัลลอฮ์เราเนี่ยมันในความหมายของวิชาสรัรอปเนี่ยเราเนี่ยสแสดงว่าหลายคนฉันกินข้าวฉันไปโรงเรียนเราไปโรงเรียนสแสดงว่าหลายคนแต่ว่าสําหรับอัลลอฮ์นั้นเราอัลลอฮ์ผู้อะซักนาหรือนะฮนูเราหมายความว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอํานาจจึงใช้ถ้อยคําว่าเราแสดงถึง ลิตาซิมอลัลละฮฺเป็นผู้พี่อำนาจที่ยิ่งใหญ่นั่นเราณอาลัลลอฮ์กับเราณนะความรู้สึกของพวกเราของมนุษย์ต่างกันครับวลาลัยินอัลลนั่นอินซานขอสราบาด้วยนามของอลัลลอฮ์มันเป็นเงื่อนไขว่าหากเราจะให้มนุษย์ได้ลิ้มรดความเมตตาจากเรามนุษย์ลิมรดความเมตต า, าจากเราแบบไหนหน่งปัจจัยอย่างที่ 2. ร่างกายที่สมบูรณ์ นี่เป็นความเมตตาสามความปลอดภัยในชีวิตของเรานี่ความเมตตาอลอลองให้หมดเมตตาไม่ใช่กอดแล้วก็หอมเหมือนเราหอมเด็กไม่ใช่เมตตาแค่นั้นดูปัจจัยยังชีพเราได้เป็นความเมตตาจากอันหอได้มามอัลฮัมดุลิลละเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่เอาอูซุบิลละเราต้องใช้อิสลามกับสิ่งที่เราได้มากับปัจจัยยังชีพด้วย งั้นเราต้องเลือกของที่ฮารอมไอ้ของที่ฮาลานฮารอมไม่เอาถ้าเลือกของที่ฮารอมกินไปแล้วมันมีผลเสียต่อร่างกายตรงไหนอิบัตดาอัลลอฮ์ก็ไม่รับอิ่มไม่อิมมอ่มมุสลิมไม่ได้เอาความอิม่มเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์นะแต่เอาว่าอิ่มต้องฮาลานมันมีผลต่อการทําอิบัตดาต่ออัลลอฮ์ถ้าเราอิ่มจากของที่ฮารอมทําอิบัตดาอัลลอห์ไม่รับแล้ว เนื้อหนังมังสาที่มันงอกงามเติบโตมาจากของฮรอมฟันหน้าหรืออาลาบิมันก็เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกงั้นมนุษย์มุสลิมจะกินต้องคิด า, าัาวแล้วคิดอีกว่าอย่า ก, กินแบบลำแบบแบบลาไแบบส้เจ็ดโคตกินแบบประมาณแบบที่เรารู้กันอยู่ลำไส้สามโคตรสำหรับอาหารสำหรับน้ำสำหรับอากาศอย่า ก, กินแบบเจ็ดคตกินยังไงเจ็ดโคต มีดนตรีกว่าจะกินได้มีดนตรีมีบันเทิงมีเหล้ามีเบียร์มีผู้หญิงอันนี้มันเป็นสังคมที่ไม่ใช่ของอิสลามแต่มีมาให้เราได้เห็นว่าคนอิมานน่ะจะหลุดไปอยู่ในสังคมนั้นหรือไม่วัดใจเราอ่ะแต่นี้สังคมรลับตัวของกาเฟ่มเชริกินเป็นแบบนี้ต้องมีดนตรีต้องมีกระเทยมาด้วยถ้าไม่ใช่ผู้หญิงบริการก็ต้องมีกระเทยมาต้องมีเหล้ามีเบียร์ มีการพนันด้วยมีการเสียสีะระหว่างผู้หญิงผู้ชายมันมีทั้งหมดแหละแต่มุสลิมที่อยู่ในกรอบความคิดในการไปเดบัติแบบอิสลามจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นนี่คือความแตกตา่างงั้นในความสําเร็จของมุสลิมนะ่ะเวลาสําเร็จเขาไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงฉลองอะไรนะจะจะเลี้ยงอาหารกันนิดหน่อยทั้งบุญเป็นวารีมาวารีมาคืออะไรการเลี้ยงอาหารที่เรามีความสุขใจ ทีเราได้รบับมีรับความสุขใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เลี้ยงอาหารนิดหน่อยถาวลีมาตุลอุซี่มันเรื่องการแต่งงานการนู่นแหละเลี้ยงอย่างในคนละเรื่องแห้นะเลี้ยงอาหารได้ไหมได้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจเราเลี้ยงแต่ว่าจะเลี้ยงฉลองอะไรใหญ่โตเนี่ยไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนี่นี่คือสิ่งที่เราเราเราไม่กอบความคิดแบบอิสลามก็ต้องดู ว่าว่าเรามีฐานะอะไรขนาดไหนแบบไหนด้วยอย่าไปตามเขาแต่งงานต้องตามกระแสของที่เราแย่เพราะเราไม่มีเงินต้องไปยืมเขามายืมแล้วกว็คิดว่าคนช่วยงานนี่มันจะช่วยมาเยอะจะได้อาไปใช้ก็ได้ทีไหนได้มันมาบ้านหนึ่งใส่ซองมามาทั้งบ้านใส่สี่สิบาทกินก็่สามวันเลยสองวันเลยสี่สิบบาทพอรู้ตัวว่าใครช่วยแบบนี้ไปด่ามันอีกมึงนะ่ะเอาเปียบโอ้ตกลงไม่ได้อะไรเลยนะ นะไม่ได้อะไรเลยงั้นเราเลี้ยงอาหารของเราเลี้ยงเพราะเราเต็มใจจะเลี้ยงแล้วก็เรามีความรู้สึกว่เราเราอิ่มเ อ, อิบใจที่จะเลี้ยงส่วนเนี้ลาโดรีดูมิงกุมยาซาอเวาชุกูโร่ไม่ต้องการการตอบแทนหรือการขอบคุณเราเลี้ยงเพื่ออะไรนี่เลี้ยงแบบเราอ่ะอย่างนั้นอย่างสินทอรเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาอะไรเขามีความพร้อมที่จะเลี้ยงเข้าก็เลี้ยงเขามีความพร้อมน่ย เนี่ยอเล็กก็ตอบแทนเนี่ยผมไม่ยอมันมิสกอ ร, ร์ดแอ้วเราตีมใครรออเล็กเนี่ที่อเล็กบอกแล้วแต่อเล็กจะให้เมื่อไรแล้วแต่อเลจะใหม้มันจะเห็นไงทาลินแลกจริงๆแล้วมันจะเห็นงั้นมุสลิมเวลาไปกินอาหารที่เขาเลี้ยงอ่ะ <c oughs> ก็อา่านละอาอา่อานว่าไงอ่านยังไงอัลลอฮมาบากเลยอัลลอฮมาดีกลนะ ลองบายดีกลาหุ่มฟี่มาเราสักตาหุ่มฟักฟิลลหุมหหุมดูอ้านแค่นี้แหละดูอ่แค่นี้แหละอัลลอฮฺมาบาริกลาหุมโอ้อเราได้โปรดประทานบ ร, ริการให้กับเขาที่เลี้ยงดูเราฟีมาเราสักตหุมในสิ่งในปัจจัยยางที่ที่อัลลอประทานให้กับเขาอะไรล่ะลอบอกรูเพียฟิลหุมขอเรายกเท้เขาวาระหัมหุมและอัลลอฮฺให้ความเมตตาแก่เขา นี่เวลาเขาเลี้ยงอาหารก็อ่านแค่นี้ที่นบีอ่านแต่บ้านเราก็มีพิธีกรรมที่นบีไม่ได้ทําำมีพิธีกรรมเยอะแบบนบีไม่ได้ทําก็ไม่อยากจะพูดถึงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาพันปีที่ไม่อยากจะกล่าวถึงเราเดินในทางที่นบีบอกก็เอาแค่นี้แค่นี้แค่นี้เพราะอะไรอะ่ะ เพราะนาบีสอนแบบนี้ให้ปฏิบัติแบบนี้อีกคนที่ทําแบบอย่างหนึง่งก็บอกว่ามันก็บอกว่าแล้วที่มันทำเนี่ยนบีห้ามมันไหมเอาข้อห้ามมาสิจะไม่เอาข้อห้ามที่ไหนล่ะเพราะอัลอัมรุบิใช้นบีสั่งให้ทําสิ่งใดมันมีความหมายว่าหน้ายุนอันดิษดีมันเป็นข้อห้ามกับสิ่งที่ตรงข้ามสั่งให้ทําสิ่งนี้แล้วก็ทําแต่นบีไม่ได้สั่งแบบนี้แสดงว่าห้ามทําสิ่งนั้น ใครกินของฮัลลนคำสั่งดิดดุนอันน่ายนดีอันนายุนอันดี ด, ดีก็ห้ามมีนายาัยยะว่าห้ามสิ่งที่ตรงกันข้ามกับฮัลลนคือพารอมก็แค่นั้นเองจะไม่เอาหลักฐานที่ไหนนี่กนี่พูดกันเบื่อแล้วแล้วก็เบื่อฟังมีคนถามก็บอกว่าปัญหาพันปีคงลืมแล้วตอบไม่ได้อยาอยูนะมันเป็นแบบนั้น อ่าวลลาเลอินอัรักนันอินซาลามินนะรอห์มัตันรอห์มัตคืออะไรเมื่ออัลลอฮ์เมื่อเราได้ให้มนุษย์ได้ลิ้มรดความเมตตาจากเราเมตตาคืออะไรเน่งปัจจัยยังชีพสองร่างกายที่สมบูรณ์สามความปลอดภัยแล้วก็อะไรอีกที่นั้นมีฐานะแล้วอะไรอีกสุขภาพที่ดีก็ร่างกายที่สมบูรณ์นี่แหละก็ครบละปัจจัยยังชีพร่างกายที่สมบูรณ์ความปลอดภัย ซุมมะนาะนาฮามินหูต่อจากนั้นเราก็เด็ดดึงมันกลับมาอินนาหูลายาอูซุงกะฟูดนะอินนาหูลายาอูซุงกะฟูดแท้จริงเขานั้นเป็นผู้คึกขนองแล้วก็ยิงยะโสคืออะไรเป็นการบ่งบอกให้เราได้รับรู้ว่าคนที่กูฟตต่อรอสมาตาลานั้นน่ะจะเป็นยังไงล่ะมีอุปนิสัยแบบนี้คือ จะต้องอะไรต้องทุยต่อรองซตลาคุยต่อรองซาคืออะไรกาลิลกาลิลูซุอารนิอมกาลิลูซุปอนิอมไม่ชกตต่อรอตอนนีมาเทอรอให้เวลาเนี่ยมาเทอรอให้ไม่ชุกตชุกตคืออะไรใช้เนี้ยมาเทอรอให้ไปในทางของอัลลอ์สองกุฟรอ้นุนนิมปฏิเสธดึงดันตอเนียมาความดีที่ที่เราที่รารับนะความดีที่ได้รับก็ดึงดันแทนที่จะเอาความดีเหล่านั้น นะครับไปในหุนทางของอเล็กไม่คิดแล้วก็ท้ายสุดที่ฝังอยู่ในใจคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาฉันจะต้องเป็นแบบฉันไม่ชุโกโต่ออเล็กไม่ใช่ในสิ่งที่อเล็กได้บอกนะครับการที่เขาทำแบบนี้อเล็กก็ลงโทษแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วเช่นกลุ่มชนหนึ่งถูกพายุรุนแรงอีกกลุ่มชนชนหนึ่งก็โดนเสียงกัะพนา อีกกลุ่มชนหนึ่งกระจมน้าตายอย่างสมัยนบีนัวนะครับก็ได้รับการลงโทษมาโดยตลอดที่อัลลอฮ์บอกให้เราได้รับดูในะอันกูรานและสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นวันนี้พิสูจน์ได้ฟาโรก็ดูได้พเพราะอัลลอฮ์บอกว่าจะไม่ให้ร่างนั้นเน่าเสียหายนะจะเก็บไว้ให้โลกได้เห็นว่าคนที่ทะเลาะต่อร้อนในช่วงนู้นมันเป็นแบบไหนยอย่างไรแล้วฟาโรก็ยังอยู่นะครับเราไปอียิปต์ไป ไปเยี่ยมไปเห็นได้นะก็ไปเคยดูมาแล้วก็ไม่อยากจะดูเท่าไรหรอกก็ไปเห็นโอ้ร่างกายใหญ่โตนะแต่ว่าไม่ศรัทธาต่อรอแม้ว่าจะกล่าวกระลิ่มอขณะจะจมน้ําตายอัลลอฮฺก็ไม่รับเพราะมันหมดเวลาของการพักดีต่อรอลแล้วอัลลอฮฺไม่รับกระจนตัวแล้วเลยเลยรออัลลอฮฺไม่รับการลิมรสของเราหนังสือบอกดีในตัฟซีดของเชคมุตาวันลีซะอราวีพูดดีว่าการที่อัลลอฮฺให้ลิ้นได้ลิ้มรสเนี่ย เขาไม่ได้บอกว่ารสอะไรนะข้างลิ้นเราเนี่ยก็รสชาติอย่างหนึ่งกลางลิ้นก็ลิมรสอีกอย่างหนึ่งรสชาติอีกอย่างหนึ่งปลายลิ้นก็รสชาติอีกอย่างหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกว่าข้างลิ้นรสอะไรรสเปรี้ยวรสหวานเปล่างั้นข้างลิ้นลิมรสชาติได้กลางลิ้นเอลเราก็ให้ลิมรสชาติจากกลางลิ้นได้ปลายลิ้นเอลเราก็ให้ลิมรสชาติจากปลายลิ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ย ต่อไปโลกจะพิสูจน์ว่าข้างลิ้นริมรสชาติอะไรเพ ร, เราะอัลลอฮ์บอกแล้วนี่อ่อลัลลอฮ์สร้างลิ้นมาเนี่ยต้องลิ้มรสชาติแต่รสชาติที่เราต้องลิมก็คือรสชาติของความดีที่เรากล่าวได้สุภาอัลลอฮ์ญญบบคำดีละอัลลอฮ์บัดเลยและอัลลอฮ์อ่านคุรานตักเตือนพูดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็เป็นส่วนรวมของลิ้นทั้งหมดที่เราจะต้องให้การตักเตือนนั่นคือสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างมาแล้วก็เป็นประโยชน์แก่เรา อ๋อผมนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยอีกสามอายะผมคิดว่าสามอายาดูสิมันจะไม่จบนะผมคิดว่าสามอายาดูมันมีสองหน้าเพิ่งบวชมาไม่ทันถึงเที่ยงเียฮะฮะ นะอลั ล, ลังีนัสบาวรุไอคนที่ทําผิดต่างๆนั้นนะ่ะคนต่างๆที่อะไรผู้คนที่จะเป็นได้รับส่วนดีจากอัลลอฮ์ะนะี่คืออะไรอดทนสาวรุอัลดอฮ์ต่อความความเจ็บปวดความยากลำบากวันมากลาลนี่ะสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะเราต้องอดทนอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอดทนมีอะไรอดทนต่อการ ต, ออต่ออัลลอฮ์อดทน อดทนต่อการทิ้งมัสยัดมันมันอะไรมั น, ม, นมันหอมหวานเราก็ อ, อดทนทิ้งมันไปอดทนต่อกระดักของลอ้อกําหนดการของลอ้เราเจออะไรนะอดทนแล้วก็แก้ไขปัญหาตามที่ล้อสั่งดุอาร์ต่อล้ออดทนอะไรอีกข้อสีอดทนต่ออันนี้อิติละต่อบททดสอบต่างๆที่ล้อทดสอบเราตอนเนี้ฝนตกแต่บ้านผมเนี่ยเป็นคลองสีนคดินกับคลองกรุงเทพธีทาไปแล้วแล้วก็อดทนนะอย่าไป เพียดโอ้ยทำไมต้องตกไม่ด้วยทําไมต้องน้ำถ้วยท่วมมาด้วยไม่ต้องไปถามทําไมวิ่งรถให้ดีก็แล้วกันไม่ต้องไปถามเดี๋ยวมันก็ไปเพราะน้ํามันมาเพื่อไหลนะแต่เราไปกันมันมันก็ไหลไม่ได้มันก็เลยท่วมเอาคืนไงน้ํามันเอาคืนถนนขวางบ้างหมู่บ้านจัดสรรขวางเดี๋ยวหมดเวลาว้ามิรุซอยเลยฮาร์อดทนแล้วก็ทําความดีซอยเลยฮาร์อะไรที่อัลลอฮ์บอกว่าดีก็ดีนบีบอกดีก็ดีอย่าดีตามความรู้สึกของเรา เพราะถ้าดีตามความรู้สึกของเราเนะ่ยเราจะรู้ลนะณเวลานั้นอารมณ์เราอารมณ์อะไรอารมณ์ชั่วก็บอกว่าความความชั่วเป็นความดีไม่ตามอารมณ์เราตามคําสั่งอัลลอฮฺอุลัยกาละหุมมาฟิร์ตุนวะอจุนการีมคนเหล่านั้นแหละที่จะได้รับอะไรการยกโทษมักฟิร์ตุนูบิฮิมอัลลอฮฺยกโทษให้กับเขาวะอจุนกะบีดแล้วก็ได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงรางวัลที่เราให้คืออะไรหุนจันนะ คือสวรรค์ที่เป็นดารุณอัรลอสเป็นที่พักของคนดีอย่างท้าวอ่อนนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺให้เพราะฉะนั้นอายะต่างๆและกล่าวข้างต้นนั้นจึงเป็นบทสรุปที่ทําให้รับรู้ว่ามนุษย์ทุกคนก่อนจะขัดเกลาตัวเองให้สะอาดด้วยอีมานและอามัณซอลละนะจะมีสภาพที่อ่อนถ้าถ้าไม่มีอีมานแม่อามัณซอลละจะมีสภาพที่อ่อนแอและอารมณ์อ่อนไหวย่าแย่อยู่ตลอดเวลางั้นถ้าอีมานซอลละอามาอีมานซอนลละและอามัณซอลละ มนุษย์ถือว่าอยู่ในสภาพที่ขัดเกลากตัว เ, เองแล้วก็พวกทางรอดก็อสองเอเลาะตำหนิการสิ้สนหวังใ น, ในทุกกระบวนการอย่าสิ้นหวังต่อความเมตตาก่อนหรอกมีความหวังแต่เมื่อไรอีกเรื่องนอออนหนึ่งข้อ3อเลาะกอ่านตําหนิการหลงไหลในดุงยาแล้วก็อยูญญอย่อย่างดุงยาอย่าเสื่อมอย่าขยันขนอง <c oughs> ประการสุดท้ายก็ลักษณะของมุ่งมิน ท, ที่มีจิตวิญญาคืออดทนสุก็ศและอเลาะก็บอกถึงการต่อแทน ด้วยการยกโทษแล้วก็ให้สวรรค์เป็นการตอบแทนที่เรียกว่ายันนาเป็นดารุนอบรอตเป็นบ้านที่ถาวรที่พักที่ถาวรของคนดีตลอดกาลก็จบแค่นี้นะครับสุภานักละว่าจะคำนีกะอัชชานละอิละอิละอันตะอัสตัลฟิรุกะวอาตูบุไลซัลลามอัลัยกุมะาะห์มะตุลลอฮ์มุฮัมมัดกัส